รรครับคารวทุกท่านเรามาฟังธรรมกันเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเราได้ยินถึงใดเราได้ทำสิ่งนั้นเราได้ทําสิ่งใดเราได้ยินถึงนั้นมันเป็นส่วนประกอบพอดีพอดีเราไม่ไว้ใจเดียวกัน เป็นนาปวดเป็นบรนรพชิตบรรพชิตคือผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารถ้าใครเป็นผู้เห็นภัยก็ถือว่าเป็นบรรพชิตได้อาจจะไม่ต้องผมผ้าเหลืองโขนผมเป็นคราวว่าจะโยมนุ่งกางเกงขาสั้นขายาวก็ได้ถ้าเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร เห็นการเปลียนไห้ตายเกิดเห็นการเกิดแจเจ็บตายว่าชีวิตเหล่านี้ความเจรานำเข้าไม่ยั่งยืนเราต้องรัดทิ้งทั้งจิงทั้งปวงไปเราไม่เป็นใหญ่อะไรทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเราเพียงแต่เรารู้ได้ปัญญาที่มันเกิดกับไปกับใจเรา เรียกว่าเห็นภยัยถ้าเห็นภัยแล้วก็ไม่หยุดให้อะไรมันมาถึงเราให้ภามาถึงเราจะให้ความเกิดความแก่ควาเปรียบความตายถึงเราได้ให้เราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าพ้นภยัยการพ้นภัยอย่างนี้เรียกว่าพระคีณาสก หรือพระอรียเจ้าทั้งหลายไม่มาแล้วในอดีตพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานี่พวกเราก็มีทุนอยู่แล้วทุนเรื่องชีวิตของเรามีศรัทธาเป็นทุนอยู่แล้วเกิดแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงเรามีศรัทธา ศรัทธาต่อพระรัตนตก็เรียกว่าเราเกิดมาแล้วเกิดมีศรัทธาต่อพระรัตนตพระรัตนตก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนมาถือบวชมาอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นการอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือเป็นญาติของพระเจ้าโดยทีเดียวหรือเป็นสาวกของพระเจ้าผู้แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษคือพระโสดามัสพระโสดาผลพระจิติคาคามีมัชพระสกิทาคามีผลพระนาคาหมัชพระนาคามีผลพระหันต์แต่มัชพระหันตผลสี่คู่เนี่ยถือว่า เป็นโยมเป็นคราบาธรรมราเมื่อมาศึกษามาปฏิบัติแล้วมันสามารถเป็นได้เนี่ยเราไม่ทุนเมื่อเราไม่ทุนเนี่ก็ใช้ทุนของเราต่อไปมีศรัทธาอย่าทอถอยมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีความมั่นใจเชื่อว่าทำดีมันก็ดี เราสวดวันพชิตข้อที่หเราทัมีจะได้ดีเราทําชั่วจะได้ชัว่วข้อที่เจ็ดเราเป็นกรรมของของตนข้อที่หข้อที่เจ็ดเราจะต้องพัดพาดจากของรักของเชอบใจทั้งนั้นในวันพชิตข้อที่แปดวันคืนล่วงไปล่วงไปบัตตนี้เราทําอะไรอยู่เราอยู่ตรงไหน อาจจะไม่ใช่อยู่สุขโตอาจจะไปอยู่ไหนมันชิดไปทางใดเรนี่อยู่กับสุโขโตจ้าโอ้ทําดีคิดดีพูดดีอยู่ดีคำว่าดีคือเป็นสถาบันของชีวิตเราแลให้มันมั่นคนงเข้าไปก็ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเป็นสถาบัน เรียกว่าเราอยู่สุกโตได้ถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราจึงมาปฏิบัติธรรมกันมีทุนแล้วมีเจตนาเกิดมาแล้วเหมือนสมัยข้าพเจ้า เมื่อเกิดมาแล้วต้องกก ก, กไข่ต้องต้องเลี้ยงดูเลี้ยงดูคืออุปชาอาจารย์เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตในธรรมะอยู่นี่ก็มีอาจารย์หลายลูกคอยดูแลเราเป็นผู้เลี้ยงดูทางจิตปัญญา ไม่ใช่เลี่ยงทางอาหารเบญทบาตแต่เลี้ยงอาหารเบญทบาตก็เราอาใส้ผู้อื่นเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตญาโจงที่มีศรัทธาเขาก็นำอาหารมาให้เราเราก็ทำเป็นให้ทาตัวให้เขาเลี้ยงง่ายประกอบกัน นี่เราก็มีเพื่อนสต่รำไม่เกิดขึ้นวันนี้ห้าหกลูกแล้วเรียกว่าพวกเราก็ยินดีมีความปิติอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยพระบวชใหม่ครับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องผู้มีศรัทธาแห่กันมาบวชจากกรุงเทพไม่ใช่ใกล้ นะ่ะยากปนควรเพราะไม่มีสจตามาไม่ถึงนี่แล้วก็รับโทรศัพท์จากตมบรมพูว่าจะมาบวชพันที่ยี่สิบหกตอนห้าโมงเย็นก็เลยบอกว่าบวชที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะมาปฏิบัติก็บวชมาเลยก็ได้เขาก็บอกว่าจะมาบวชที่นี่ อาจิบอดเป็นเนนก่อนให้พ่อแม่ได้เห็นพระเหลืองซะหน่อยให้ญาติพี่น้องได้ดูแล้วก็มาสวดยติที่นี่เป็นพระสงฆ์ต่อก็ได้เรียกว่ามีเัถตาเกิดมาแล้วแล้วก็มีการเลี่ยงดูกันบ้าวิธีเลี่ยงดูกันนี่แหละกำลังพวกรังสอ น, นให้จเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ <c oughs> แล้วก็เราก็สอนให้ทําด้วยไม่ใช่สอนให้จําเอาไปทําดูวิธีทําเราก็มีอยู่แล้วกรรมาฐานทั้งหลายรับมรดกมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละตรงที่สติปัฏฐานมีสติเห็นกายเห็นจิต ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็ก า, า, ายานวั จ, จนามีสติเห็นกายพูดลงไปเลยว่ากายจะว่ากายไม่ใช่จัดปุคลตัวตนเราเขาฉเฉลยไปได้ก่อนบุกเบิกไปก่อนถ้ามันเห็นทิศเหด็นทางจะหน่อยแม้นมันไม่ลงตัวก็บุกไปก่อน เวทนาที่มันเกิดกับกากับใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่ศักด์บุคคลตัวตนเราเขาเฉลยไปอีกมันจะกักเราให้เราหลงตรงนี้แล้วก็ผ่านไปถ้าเราเฉลยแบบนี้ก็ผ่านได้ตับมหาสติได้เหมือนเก่าจิตที่มันคิดหมด่นจิตนี่ มันขยันคิดขยันหลงมันเป็นเรื่องของจิตที่มันไม่ใครห่วงห้ามมันมันก็เป็นมาแล้วมันก็ยอมคิดธรรมดานั่นก็จากว่าจิตไม่ใช่จัดบุคคลตัวนเราเขาไปเลยไปอีกด่านที่สามมันกักไปอยู่แล้วด่านที่สี่มันเกิดขึ้นในธรรมธรรมก็ชวนให้หลงนะ เป็นกุศลธรรมความดีความเฉลียวฉลาดความดีอกดีใจปิติปัจจิติปัญญาก็มีทำไงปัญญาลู้โน้นลู้ น, นี่มันลู้มากเกินไปไปเป็นผู้ลู้อะไรไปเลยเป็นจินตยานไปหรือเป็นอกุศลง่วงง่อนนุ่งซ่านเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนขี้เกียจเห็นแจาปากจะท้องทอนความอยากไม่ได้ เพลิดเพลินในรูกเคยอยู่สะดวกสบายจยกินจะนอนจะเดินจะเหินไปไหนสะดวกนัง่งรถเจ๋งรถเว้นกินอาหารก็เปิดตู้เย็นเอาอะไรก็ได้ที่บ้านยิ่งอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ยิ่งสะดวกใหญ่อยู่บ้านตัวเองก็ยิ่งสะดวกมีเงินไม่ทองก็สะดวก แล้วเ่าอยู่นี่มันก็ไม่อย่างแค่นั้นอาจจะคิดถึงการเก่าว่าลําบากาบการบวชก็สมมติให้เองว่าลําบากยากไปเลยฮะสมมติไม่เป็นมันหยติไม่เป็นถือว่ายากลําบากมีแต่สิ่งห้ามคิดเอาว่ายากยังไม่ทําดูก็ว่ า, วายากแล้ว พอทำไว้ก็ว่ายากแล้วอย่าไปเอาอยากอย่าไปเอาง่ายสิให้ทําเฉยๆให้ลูกเฉยๆมันอย่าไปเอากุศลคือความฉลาดอย่าไปเอากุศลคือความหลงความทุกข์เป็นธรรมศักดิาธรรมไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเฉลยไปได้หรอสีด่านเนี่ยมันมาทีแรกก็เฉลยแบบนี้เฉลยแบบนี้นะ มัมก็กิดเรามาอยู่เหมือนกับเราทําถูกเหมือนกับเราขับรถเรามีใ บ, บขับขี่แล้วขับตามกฎจราจรตารวจจะเรียกตรวจก็สบายเลยอะไรเอาได้เลยเปิดหน้าต่างรถให้เลยฮะขอดูใบขับขี่เอาให้เราดูรถเรามีทะเบียนมีป้ายอะไรไหม ป่ายแสดงความถูกต้องตามาระเบียบของเขามีไหมมีใบ ป, ปรอบออะไรนี้ก็ค่อยเยเพราะเราถูกต้องกันนี่คือเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเหมือนการเดินทางจากความหลงไปสู่ความรู้จากควา ม, วา ม, าวามทุกข์ไปสู่ความไปทุกข์จากความ อะไรไปสู่ตรงกันข้ามจิิงที่เดี่ยวนี้มันก็ขวงเราแซงเรามันแซงเราเอาเราก็ยิ่งดีใหญ่สนุกดีสนุกหลงสนุกรู้ไปเลยไปอย่าไปสมมุติมันจัโอ้ยวันนี้ดีคิดเข้ามาคิดสงบดีโอ้ยวันนี้ไม่ดีฟุ่งซ้างง่วงนอนอย่าไปทำแบบนั้น การสอนตัวเองถือเป็นเรื่องถือเป็นเรื่องสนุกซะมองนี่ย่ดีแม้มันมีทุกข์ก็มองนี้ย่ดีความทุกข์ความลำบากสร้างความเชีบแข็งให้ใจยืนเราได้ความสะดวกสบายสร้างความบอนแดให้ใจเราก็ได้เหมือนกันอย่าไปงออะไรปฏิบัติไป เราก็มีจีวรเราก็มีบาตเป็นสมบัติของเรารักษาจีวรเก็บผ้าจีวรยังไงห่มให้มันติดจะก่อนอย่าเพิ่งปล่อยตัวหัดถมผ้าเหวี่ยงบ่าปิดรูปบวบหัดถมผ้าห่มดองรัดอกเก็บผ้าเป็นระเบียบอย่าม้วนไว้เวลาเราจะ จับมาใช่จับมาก็ดูเอามือกลางคืนก็ได้เอามือค้ำแต่เข็บมันแต่เข็บที่อดูวาดนั่นนะ่ะมันอยู่เรีวยกว่าเป็นช่างในข้างนอกไว้เม่มีตะเข็บเอามือขมเอากลางคืนแล้วก็ดูทางสั้นทางยาวมันผมบิดรูปบว่ก็รักษาดีๆผ้าที่วันนี้มก็ง่ายอยู่หรอก ไม่เหมือนสมัยก่อนยี่สบสาสิปีสี่สิบปีมันต้องย่อมเรื่อยๆผ้าการย่อมผ้านี่ก็ถือว่าเป็นวัดอันหนึ่งการย่อมผ้าก็แปลแจนขนขนแปวแจนเชงใบอ่าเมียดทำอาจารย์ตุ่มนักย่อมผ้า เอาชีเดยังไงเจนขนุนถ้าแดงหน่อยหลังตะเข็บก็เจนเชงเบือกเชงเอามาต้มแล้วก็ซักผ้าสะอาดเอาซุบน้ามก่อนซุบน้ามเราพึงให้มันมาเราไปย้อมมันจึงไม่กระด่างกระดาวแล้วก็เป็น งานที่พอสมควรต้องฟาวพื้นต้องสับแตนขนุนให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกขาฟันแจงคุณกินหมักฟันฟันเราไปต้มต้มแล้วน้ำใส่ปิ๊บหนึ่งครึ่งปิ๊บน้หเหลืออยู่น้อยๆเคี่ยวลงไปเคี่ยวลงไปเคี่ยวลงไปจนเหลือน้อยเคี่ยวลงไปจนวางไว้จะมันเป็นฝุน่นเป็นฝุ่นเราไปย่อมนะ มีโรงย้อมวัดวัดหนึ่งที่นี่ก็มีโรงย้อมวัเหรอชัดดุมทาไว้มีเตาอย่างดีที่เวรวันป่าไผ่ี๋ยเนี่ยก็ไม่ได้ย้อมแล้วเพราะผ้าสำเร็จรูปผ้ามันดีนุ่มหอมขนางไหนมันก็สีนี่ไม่ออกก็สบายไปกันหนึ่งสะดวกไปกันหนึ่งบาดแต่ก่อนต้องเผาบาดเรื่อยเพราะมันเป็นบาดเหล็ก แล้วจิ้นข้าวในบาตฉันเข้าในบาเพราะฉันแล้วต้องล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งทันทีอย่าให้มันแห้งเฉยๆเวลาล้างแล้วน้ามันติดไม่ใช่ปล่อยให้มันแห้งเหมือนถ้วยเหมือนถ้วยเหมือนชามไปพึ่งแดดนั่นไม่ได้พอล้างแล้วก็เช็ดมีผ้าเช็ดบาตรลายฉันถือไปด้วยล้างแล้วก็เช็ดให้สะอาดปันนั่นก็ขึ้นจะนิม ไม่กี่วันขึ้นเสิ็จพอขึ้นเสร็จเนี่มันก็ก็ก็รั่วใส่น้าไม่ได้เวลาบางทีเราไปทุ่โรงเน่ยบาทเนี่ต้องสักผ้าไปลองใส่น้าตักน้มในห้วยในหนองมาสักผ้าตักน้ามาอาบตักน้ามายินก็ได้บาทแต่ร่างให้สะอาดการ่างบาทนี่ก็เราก็ไม่มี เครื่องล่างชามมันตั ว, วันนี้ต้องเอาใบสาบเสือใบตะไคร้แป็บสบู่ก็ไม่มีใช่ไหมครเอาใบสาบเสือเอาน้าเทใส่ใบสาบเสือถูเอาใบตะไคร้ม้วนๆก็ถูถูดีๆแ้วก็ได้างาบสะอาดเช็ดให้แห้ง ถามเกิดเศษนิ้มก็เผาเอากดตามกดไปล่างก็ไม่ดีเอาเผาพี่เผาก็ต้องผ่าพื้นเหมือนกับเผาผีเปละ่ะให้มันแดงๆให้มันลุกโหมทิ้งบาดใจบาดสีเป็นเหล็กเจ้าสีแดงเหมือนถ่านไปวันนี่เศษนี้มบอกพอกมันแดงแล้วปล่อยมันแดงอยู่ในกองไฟไฟมันยุบเราเอาบาดออกมา มาเซตมากระดาษซ้ายขัดออกแล้วก็ไปอบอีกทีหนึ่งวิธีอบก็เอาแล็กเกอร์หรือสเล็กทาทาแล้วก็พ่วงไว้เอาเอาเตาไปวางจุดไฟไม่โ ห, หมไฟถ่านแล้วก็เอาแผน่นอะไรไปวาง ปากเตา่าเอาปาดความไว้เอาก็ปิบคุมอีกทีหนึง่งก็ดูไฟพร้อมก่อนถ้าดูกลิ่นนั้นถ้ากลิ่นมันหอมก็เอามันมันติดถ้ามันกลิ่นนั้นไม่มันเิวมันก็ขอบไปแล้วมันไม่ติดก็ดูกลิ่นนั้นเอากลิ่นนั้นเราตาไม่เห็นเรากลิก่น <laughs> พี่เสือต่อถ้ากลิ่นน้องหอมเราก็เลิอกออกถอยไฟออกเอาพี่บอก พอเย็นเย็นพอนเย็นล้วก็มาขัดมันจะมันแล้วก็ชะได้ถ้าไม่มีกองฟืนโชกอากาสเ ช, ย, ชยกาสตอนไหนตอนเขาศพมาเผาในวันเราอยู่ป่าชาตินะศพก็ไม่มเม็นเตาเหมือนตัว น, นียเป็นกองฟืนเวลาเขาผาศพอผศพมันมันลุกเปลวไฟมัน หมดลงหรือแต่ถ่านแดงแดงชาวบ้านเขาก็เข้าไปบ้านหมดแล้วคลางคืนแล้วก็เอาบาทเราไปใส่กองไฟแดงใส่ถ่านนั้นเอาไว้ท่นนั้นเจนว่าตื่นเช้ามาก็าไปดูไฟแดงแดงถ่านมันก็หมดบาทของเราก็ยังอยู่เหมอนเดินวางึ้นนั้นก็เอาไม้ขีดออกมามาขัดอ่าเอา เขาศพเป็นตเตาเผาเผาบาดก็ะที่อยู่มันไม่มีดอกไมยก่อนนะต้องเอาไม้ทำเห็บศพเขาศพมาเผาขอเห็บศพเขามาทำเป็นพืนบ้างมาทำเป็นฝาบ้างกระดาษติดเห็บศพสมัยก่อนไม่เหมือนเห็บศพทุกวันเนี้ฮะเป็นไม้กระดานไม้บ้านเอาไม้อื่นเข้าาต้องเอา ไม่ในบ้านที่เอาตีฝาไปจะไปซื้อไม่ได้ต้องเอาฝาบ้านสี่แผ่นแกะออก<_ <D> _เพื่อให้มอบให้พ่อให้แม่ให้ให้ได้พอดุกเอาจากบ้านเป็นหีบจบแล้วก็ทําให้ให้แล้วก็ ท, กทาสีดําติดลายต่างๆกระดาษทองกระดาษตัดลายติดเอาหนังมาทําเป็นฝาฝา ก, ฝา ก, ฝากติ เราไม่ต้องฉิกกระดาษออกให้มันมองเห็นที่กติเราอยู่นะมันจะหนุกมาคิดดูทุกวันนี้โอ้ยมันดีความทุกข์ความยากลำบากมันดีทุกวันนี้ไม่ต้องทำหรอกหีบศพ ก, ก็ไม่มีแบบนั้นแ่นะวรล้ววันี้เมนเผาเขาหมดเลยเราจะไปขอไม่ได้หรอกทุกวันนี้แต่ว่าก็มีกติอยู่ อันนี้พูดถึงอดีตรบรรพหลุดของเราอ น, นี่บาทก็ไม่ต้องสเตนเลดไม่ต้องเขาแต่ล่างให้สะอาดถ้าล่างไิาดก็เกิดเชดื้อโรคได้อ่าล่างดีแล้วก็มาเจ็บไว้เช็ดให้แห้งอดโดมนูมันไม่เหม็นข้าวอาหารใช้ได้ที่ล่างบาทต้องการทำอะไรดีบริหารของตัวเองบาทชีวอน อ๋อตะโคเดีวแปลงชีพันอ่าอะต่างๆ <c oughs> แป้งชีพันอัญาชีพันจะไม่ก่อนมันก็ทำเอาไม่มีไม่มีคนถวายเมือ่อตะวันนน่ <c oughs> เอาเครื่อเอาเกลือมาขั้วสารจมมาขั้วขั้ว <c oughs> มันสุกแล้วสตุกข้นมันไหมแล้วเอามาบดเอามาตำมาโขกมาตา เอาเกือสองส่วนสารจ้มหนึ่งส่วนปนกันปนกันแล้วเอากระบบนเราพิมพ์เศษปนนิดหน่อยเอามาใส่กล่องไว้พระแปงฟันมูยอดเยี่ยมที่สุดเลยดีกว่ายาสีฟันสมัยใหม่หม อ, อะไรก็สะดวกสะดวกเมื่อมันยากนิดหน่อยก็จะท่อถอย การมีธาบาตะการดูแลตัวเองการดูแลของส่วนรวมรับผิดชอบยวนี้ก็พวกเราก็มีผู้ทำหน้าที่ครูอาจารย์ผู้สอนผู้ที่ให้การศึกษาแจกกติอธิการเจ้าติการกติเจ้าติการค่างเจ้าติการอาหารคอยดูแลเรา ก็ดูแลเราเราก็ต่าหารก็ดูแลท่านท่านก็ดูแลเรานอกจากนั้นแล้วก็มุ่งการปฏิบัติการทำอะไรก็ตามเป็นการปฏิบัติไม่ใช่เวลาฉันไม่ใช่เวลาอะไรเวลาฉันก็ปฏิบัติรู้จึกตัวลาบนาบก็รู้จึกตัวแปลงพั้นก็รู้จึกตัวหอมจีวรการคู่เหีนเข้าการเหยียดเหียนออกการ มองไปข้างหน้าการมองข้างหลังการเอียงหัวเอียงซ้ายการยืนเดินั่งนอนเอาเจ็บมาใช้เป็นการสร้างสติได้ทั้งนั้นอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเอากอบรูปแบบมานั่งยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวอันเดินก็ใช้ได้การนั่งสร้างจังหวะมันเจาะจงอาจจะรู้ได้แต่เดินหลงนึ่เยอะเพราะฉะนั้นเราช่วยโอกาสอยู่เรื่อย เริ่มต้นไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันหลงควรใส่ใจควรใส่ใจเพียนเถอะไม่ใช่เราทำคนเดียวเพื่อนเราก็ทำอยู่ท้องพระสง์ทั้งวาสศกวัจิจากับบ้านหมดแล้วหรือวันนี่มีน้อยเหลือเกินกับบ้านหมดอ <c oughs> อ่าอาจารย์หมอปล่อยม่กลับ เพราะนั้นเราฮะไม่เผี่ยวเดียวดายดอกก็คงเราอยู่อาศัยกติกันทุกรูปแล้วน ะ, ะถ้ามีไม่มีที่อยู่ก็สารน้ำก็ได้สารน้ำจะมีสิบห้าวันไปใช้ทีหนึ่งปฏิโมกก็อยู่สบายอาจารย์ไพศาลเจ้าวาดท่านก็มาอยู่ก็อยู่โพหลงแล ท่านมาก็ให้ท่านได้ใช้สิ่งของของท่านในตู้หนังสือไม่ะ ไ, ไรเจ้าว่ากับพวกเราก็เดียวกันเป็นกันเองเป็นคนมีปัญญามากในยุคนี้ในสมัยนี้เจ้าวาดตัดป่าสุกุโตเนี่ยพวกเราเคารพท่านมากพระทรงยังไงเคารพท่านญาติโยมคงเคารพเหมือนอบบกันว่าท่านเป็นคนมีปัญญา มากมายสังคมยอมรับทั่วโลกท่านเป็นล่ามไปพาหลวงพ่อไปสอนธรรมที่จารัดพลังยอมระบับเป็นปาดพุดหนึงพาะน้อยเป็นปาดพ่อหนึงตัวน้อยน้อยเพื่อนเราก็มีเพื่อนดีๆอยู่มีหลักฐานมีครูบาอาจารย์เรียนตามพ่อกอตามครู ไม่ใช่เราเจ๋งอถ้าเจ๋งก็ธรรมะพาให้เราเจ๋งครูอาจารย์พาให้เราเจ๋งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พาเราเจ๋งให้เราพ้นทุกข์พ้นหลงพ้นโขดได้นะะน้องเอาคนธรรมมาไหว้ใส่เราเสมอเสมอเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างเราสาวกเพาสาวกเนบางองค์บางรูปกว่าเอตตัทธะ งกันมีความเพียรเลิศมีอะไรต่างๆกันศรัทธาเลิศมีปัญญาเลิศมีฤทธิ์เลิศมีผ้าจีวรเลิศอยู่ปาเลิศศึกษาเลิศหลายองค์ นั ก, ก็ต้องแปดสบเกโลกที่เที่ยวมายโชว์ให้พวกเราได้อ่านได้ดูประวัติอานรพุทธประวัติอานุแปลว่าหลังพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่า พ, พุทธเจ้าอานุพุทธประวัติหลังเกิดจากพระพุทธเจ้ามาเลิศในทางศรัทธาเลิศทางความเพียรเลิดในทางปัญญาเลิดทาง โยป่าเป็นวันเลิศในทางอะไรหลายๆลยอย่างเอาอย่างมีกำลังใจได้ดีไม่ใช่เราคนเดียวหรอกเวลาเราทำความเปียนเนี่ยเหมือนกันทุกชีวิตก็มีกายมีทนามีจิตมีธรรมเง้นกันหมดง่วงเหงาหอนอนคิดพุ่งจาด ลังเลสงสัยมีเหมือนกันถ้าเราเพ็นอะไระก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้าเห็นจริงเดียวกันพระพุทธเจ้าเห็นก่อนพวกเราเกายานุัจนานะัพยพระเจ้าจับมาทำโดยแล้วจนตัดไวเป็นสูตรสาเร็จกายจะว่ากายเป็นนาเป็นสศกเป็นทุกข์พระเจ้าเห็นก่อนเรา ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกขันไม่ไปอีกกิดก็เหมือนกันทำก็เหมือนกันนี่นรธรรมคือสิ่งขวางกันเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าสิ่งขวางกันไม่บรรลุคุณธรรมคุณงามความดีหนึ่งความง่วงหอนอนสองความชิดฟงซ่านสามความเลยสงสยัยสี่พายาบาทราคะ เกิดขึ้นใ น, นเวลาทําความเปลี่ยนก็มเบื่อหน่ายวันนี้พุทธิเจ้าเห็นถ้าจะพูดเราพุทธเจ้านี่ประสบการณ์นั้นนี่มากกว่าเรามีประสาททั้งสามระดูพราองค์พระองค์มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีเพื่อนแคกคนเดียวไม่มีกติจาราบนเราอาจจะคิดถึงอดีตประสาทสามระดูคิดถึงพิมพาราหุน คิดถึงพระเจ้าเจ้ธนะคิดถึงพระสนมกำนันไหนทั้งหลายตั้งพงก็กลับมาเหมือนเราคิดไปแบะเออว่าจะกลับมาเหมือนกันถ้าไม่กลับเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จเป็นกรรมสุขันญาติโยกตามความคิดตามการการะทําไม่เป็นมัชชีมาไม่ดูจะให้มันเป็นมัชชิมาต้องดูมัน แล้วก็ไม่ไปกับมันมันสุข ก, ก็ไม่เป็นสุขไปกับมันมันทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์ไปกับมันมันหลงก็ไม่หลงไปกับมันมันรู้ก็ไม่ต้องรู้ไปกับมันมีแต่เห็นนี่มัชชิมามัคคือดูมันเนี่ยมัคคือดูมันถ้าเป็นเราไม่ใช่มัคเป็นท่องได้ก็ไม่ใช่มัคสมาธิที่สมากับมันได้สมมาเวไยมั้สมาชีวะสมา กามันตาชมาสติชมาสมาธิท่องได้แต่ให้ดูไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่มักแล้วไม่ต้องไม่ต้องมันเห็นอะไรก็ดูมันทีมันมีมันต้องมีให้เรามาเห็นถ้าไม่เห็นอะไรเห็นมันเคลื่อนไหวเนี่ยดูมันทีอย่าเป็นผู้เคลื่อนไหวให้เห็นมันเคลื่อนไหวจะเคลื่อนอยู่นี่คืออะไรเคลื่อนอยู่นี่คืออะไรคือกายตอบได้ก็คือกาย พอเห็นกายอย่างนี้ไปนานวันเห็นร้อยขั้งมันน่นเห็นมันเคลื่อนมันไหวเอาไปมาเห็นเป็นรูปเลยไงเห็นเป็นรูปน่ยมันเคลื่อนเลยเอามันเคลื่อนไหวอยู่มันรู้จกเคลื่อนไหวมันมีน้ําอยู่ด้วยกันนมันมีรูปกับนามอยู่ด้วยกันเอ้าวันนี้เมื่อเห็นรูปเป็นนามเหรอไม่ต้องเรียกว่ากายไม่ต้องเรียกว่าเวทนาไม่ต้องเรียกว่าจิตไม่ต้องเรียกว่าธรรมเป็นอาการแล้วบัดเนี่ยเวทนาก็เป็นอาการของกายเวทนาเป็นอาการของจิต ทำอารมณ์เกิดขึ้นเป็นอาการของจิตทุกข์เกิดขึ้นจะกลายเป็นอาการของจิตเป็นอาการของกายไม่ใช่เรียกว่าเวทนาแล่ะวันเฉลยได้ง่ายแต่ก่อนต้องเรียกมันกายก็เป็นตัวเราวันนี้เรียกว่ารูปพอเรียกว่ารูปเห็นรูปมันแต่แขนละวั น, วนพอเห็นรูปเรียกเรีมันก็แตกไปเห็นทุกข์ของรูปมันไปอย่างนี้นะ มันเป็นสูตรนะเหมือนเราเปิดประตูบ้านไรหรือไมนเห็นอะไรอยู่ประตูบ้านนะ่ะในบ้านแล้วไม่เหอะไรบ้างแต่ก่อนยังไม่มีใครเปิดได้มันถูกปิดอยู่เถื่อนมากชีวิตเราพนะอเปิดออกมามันเห็นมันเห็นอะไรที่อยู่ในนั้นที่ใช่ได้ที่ใช่ไม่ได้เห็นทุกเนะี่ยมีประโยชน์หมโอ้ยมีประโยชน์บ้าเห็นทุกนะเห็นนั่นประิด ถ้าเห็นทุกข์เราทุกก็ทํากับเราไม่ได้ทุกกับรูปมันเถือนทุกของรูปคืออะไรทุกของน้ําคืออะไรคนพั้วมันขี้มันเลยมันอยู่ตรงไห น, นมันจะเปิดออกไปเปิดไสารภาพทุกบางอย่างเนี่ยมันเถื่อนมากมันก็โดดนี้ไปเลยยังไม่ได้ไปเกี่ยวกับมันมันหลุดออกไปกทัทีเหมือนกับ ลูกของต้นไม้ลูกของต้นไม้เราจะกินนแล้ไม้บางทีพอไม่ต้องทำาไรมันหล่น ล, ล, ลงมาอย่างในป่าในลงใช่ไหมก่อนไม่รู้ว่าต้นอะไรหลนสูงหลวงพ่อเคยไปหลงป่าผู้หลงสมัยหนึ่งหลงแล้วออกมาจะลาไม่ได้ตอนถึงเพนเ ล, ลยังออกมาไม่ได้ ก็ อ, อยู่ในป่านะเดินก็ไปก็มาเนี่เดินไปก็เห็นลูกไม้มันหล่นอยู่เหลืองงามเอามาดมดูหอมรูดอยไม้ที่มันหล่นลูกไม้ที่มันหล่นมีรอยลีงกินเออมันก็น่าจะกินได้นะรอยสัตว์มันกินอยู่มนหิวมันหิ ว, ม, หวมันเดินเหนื่อยมากก็ เอาลูกไม่ไม่เห็นใบไหมต้นกน็ไม่รู้ว่าต้นใดมันสูงเราเอามายินเราดูกินนก็แสบนะพอมันยินแล้วมันพอมันเท่าพอเหมีมไดบ้างคว้ากันเจ็บออกมาเจ็บออกมามาดูว่าถ้าถ้าเป็นอะไรนะก็ต้องเบื่อเพราะลูกไม่รูกนี่แหละให้คนเขาลวกลูกอะไรเอามายิ น, นมาออกมาได้เอามาถูกมาเจ็บไ้ จนถ้าว่าเย็นข่ำมืดจนถึงภูนี่ไม่มีอาการอะไรพอดีญาติโยมมาส่งข้าวตอนเช้าให้ญาติโยมนี่เป็นลูกอะไรเ่ยโยมบางคนก็เป็นนายพานเราว่าเมื่อตุมป่าโอ้เมื่อตุมป่าเนี่ยบางทีเราไปรู้นะก็จินได้มันหล่นลงมาไม่ต้องไปปีนไป ขึ้นหรือไม่ต้องโค่นต้นมันมันหล่นลงมาทว่วมทุกวางอย่างเหมือนกันเหมือนกับโลกไหมบางทีก็หล่นไปเลยไม่ต้องทำอะไรวอวมทุกวางอย่างต้องขยเย่าสักหน่อยมันจึงหลุดเหมือนกับเราขยเย่าโลกไหม้่วมทุกวางอย่างต้องเอาไม้ไปสอยเอมันจึงหลุดออกมาเหนียวทวมทุกวางอย่าง นะต้องคน้นโต้ถ้าไม่ค้นมันไม่ไม่หลุดนะควบคู่บางอย่างไม่หลุดเรยอยู่อยู่กับกันออยู่ติดอยู่แล้วก็เปรียบเทียบเอาบัคเขียบหลอดรู้จักเขียบหลอดไหมฮะยัยยัยจีด้วยเขียบเออที่จำแนงนี้รู้จักไหมเขียบหลอด บกเขียบหลอดบักด้อยนาที่มันหลอดเต็มดำๆติดตนน้นบ้าน่ะไม่มีหล่นเลยนะแต่มันเป็นยานะเวลาเป็นฝีเนี่ยเอาบกเขียบหลอดมาฝนเอาหน้ามาทามันดูดฝีออกเลยบกเขียบหลอด เ, เป็นทุกข์ที่มันเกิดธรรมชาติของมันเช่นไม่หร้อนไมห่หนาวไม่หิวไม่เก็บให้ปวดบกเขียบหลอดหนีไม่ได้นี่แต่บรรเทา เป็นสูน่กันหนังเวลาใดเทมันหิวโอ้ย ไ, ไปทุกข์เหมือนเมื่อก่อนมาเขียบหลอดนะ้าเนี่ยเวลาใดเทมันร้อนเวลาใดเทมันปวดมันเมื่อยเวลาใดเทวันหนาวมันเป็นทุกข์สภาวะทุกข์ตามธรรมชาติไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องไปชื้อบ่าหิวเข้าเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์มันเป็นปัญญาเนี้เอ้ยทุกข์อันนี้หนีไปได้มีแต่ทุกข์ที่บรรเทาธรรมดาธรรมดา อันทุกบางอย่างละได้ทุกบางอย่างกําหนดรู้โอ้ทุกเด๋มันเกี่ยวข้องกับมันทีจริง ๆ, ๆเห็นทุกเด๋วอวิสนุกสนานเห็นทุกเราเห็นทุกของรูปทุกของนามเห็นโลกของรูกเห็นโลกของนามมันบอกไปเลยบังบอกไปเลยเกี่ยงอะชีวิตเรานะไ้มีตรงหนิดดัังพนะี่ะถ้าเรามีสติดีๆนะ เหมือนเราเรียนรู้อะไรพาตัดอเอาไปเรียนรู้เรื่องเครื่องยนคนใหญ่เขาป่าผ่าตัดมันอยู่ตรงไหนผ่าตั ด, เ ข, ดเขาช่อมได้เขาสร้างได้สร้างเครื่องบินสร้างระเบิดสร้างอะไรได้ก็มีความรู้เราเนี่ยจะย่อยออกจากกันล้ว เ, เรียกว่า ละคะณะปริญญาย่อยรูปย่อยนามแจกแกงออกไม่เป็นตัวเป็นตนที่ไหนอันนี้ก็เป็นรูปนี่เป็นนามอันนี้เป็นทางการธรรมชาติอะไรต่างๆอยู่ในรูปเนี่ยย่อยออกหรือว่าติละคะณะปัญญารูปปัญญาแบบแจกแกงแบบแจกออกแกงออกจนไม่มีอะไรเอามาเป็นทุกมาเป็นสุขไม่มีเลยเอามาเป็นผู้ผิดผู้ถูกมาเป็นผู้เจ็บผู้ปวดไม่มีเลย เอาถึงข่าวที่เป็นเจ็บมปนปวดเขาแยกออกยิงๆเขาแยกได้ยิงๆอันนี้เคยเข้าสัง ข, ขารมาแล้วสจดลอดๆเนี่ยจะไปเจ็บไปปวดไปร้องโ호โฮเฮทำไมย่อยออกเรียวติคณะปริยาปหานะปริยาทำให้หมดไปได้ความโกรธนี่ยปัญหาเลย เปลี่ยนเป็นไม่ขวดตีไม่ต้องแกแกแกงมันทําไมถึงโกรธมันโกรธอะไรนะไม่น่าจะโกรธไม่น่าจะโกรธควรที่จะโกรธไม่แยกไม่แยกอะไรอันนี้ผะหานะปัญญาผะหานคือทําำไปหมดไปเปลี่ยนไปเลยง่ายอันนี้แล้วว่าทุกอาลีสัต์เนี่ง่ายที่สุดเลยสําหรับทุกสภาวะทุกเนี่ยถ้าหิวข้าต้องกินข้าว มีข้าวมีอาหารมีกับมีมือมีฟันมีถ้วยต้องเคี่ยวกินข้าวเหนื่อยแล้วหลวงพ่อทุกวันมั น, น, นระบบเพี้ยไปคดีมันยากอันหิวข้าวกินข้าวมันยากกว่าทุกที่มันบงปรุงแต่งแต่งทุกเพราะจังหวัไทยทุกเพราะเหตุมันมีมันก็เหน็นก็ดับได้สันทีทันทีเลย ลอยไม่ได้แร้วสนุกดีเห็นทุกข์ของรูปเห็นทุกข์ของนามเห็นนาการต่างๆเห็นโลกของรูปเห็นโลกของนารูปโลกนามโลกเห็นสมุตเห็นปรมัตที่เรามีเราเคยหลงในสมุติเราเคยหลงในปรมัตเห็นน่ะเกิดปัญญา มันไปอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นเทวดาเห็นอะไรเห็นที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาโลบรู้ในตัวเราเรียกว่าปัญญาปัญญาพุทธะเกิดจากนี้ไม่ต้องไปสอบเพื่อไม่คน้นตรวจถ้าสอบผู้สอบแบ่งต่อปองเองมันหลงก็รู้เองแก้ความหลงได้ก็รู้เองเปี่ยนเปียนความหลงเป็นความรูม้ก็เปลี่ยนเราเองใครช่วยเราไม่ได้เนี่ยมันก็สนุกล่ะ อ้าพวกเราสนุกกันแน่ละ่ะถ้าเรามีสตินะดูอไม่ดักใจดักอกกูบายยันอ่ะถ้าสอนธรรมะไม่ต้องปกครองไม่ต้องมีระเบียบอะไรกันถ้าเราปกครองตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อเมื่อวานเนี่ยมีคนขอนแก่นนี พ่อมีแม่มีลูกสาวเขามารู้วัดเราเขาเรายินว่ามีชื่อมีเสียงมีที่ปฏิบัติแล้วเขามีสามีเป็ธธนทหารแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แฟนเขานี่ก็ยังหนุ่มยังสาวมาก็ให้อยู่บ้านเขาไม่อยากอยู่เขาจยากมาอยู่วัดสามีเขาก็ห้ามอย่าไปอยู่วัด น, นะมันไม่ปลอดภัยอะไเขาก็ยู่ถึงมาเขามาดู ไม่ปลอดภัยอะไรเขาก็ไม่รู้ว่ามีมัมนกันละ่ะอยู่บ้านก็มีภัยถ้าเราไม่ระวังตัวดีมันอยู่กับเรานะเราอยู่ไหนก็ตามปลอดภัยเรื่องอะไรปลอดภัยเรื่องอะไรก็ได้มันอยู่กับเราเนี่ยแหละไม่เคยมีงูกัดคนที่นี่มีงูอยู่กลางมีงูเหาแต่ว่าไม่เคยถูกกัดเพราะอะไรเราก็ไม่ไม่ประมาท ไม่เคยมีคนมาป้นมาข่มขืนเพราะอะไรเพราะเราไม่ประมาณแต่มีขมโมยนะผอาใหม่มีสิ่งของอยากเจ็บเงินเจ็บทองของไม่ข้าจะเจ็บไมคกตินะถ้าไม่มีที่เจ็บกม็มาฝากยาจารยตุ้มอาจารย์บอเทพจะเจ็บรักษาไปให้มีปัจจัยเงินทองอันนี้มีมีการเสียบ่อย หลวงพอ่อก็ถูกถงงัดไปทีหนึ่งโทรศัพท์หายไปเลยเอ้าก็ไม่น่าเอาไว้ในะโทรศัพท์ติดตัวเอาไว้รายที่ไม่ข้าก็ติดตัวจะใหใมันป้อนมันจี้ไม่มีเลยถ้บมยจับติดคุกจตีงอ่ะอันตัวเท็มลักเย็นก็เผ า, เาไปาตายไปแล้วแต่มันก็ยังมีนะมันก็นีอ่าเนี่ย ถ้ามีภัยก็มีแบบเนี้ยอันดื่นไม่เห็นมีนะไข่ป่ามาเรียกก็ไม่มีแล้วเดลยแต่ ก, ก่อนมีแล้วไข่ป่าถามกันลงเขาอีกด้วยแต่ท <c oughs> ี่ไม่มีแล้วโดยว่ามีไข่ขี้หนูระวังนะเข้าป่าเข้าดงอาจจะมีอ่ะขี้หนูถ้าที่นี่ดินป่าหญ้าถ้าจะเป็นสิ่งแวดลอ้อมมีผลกระทบเรื่องยาเคมีสารพิษฉีดยาอะไรไม่มี ที่นี่ปลอดสารยี่แม่ผักเราก็ไม่เฉดยาเราทำปลูกป่าปลูกอะไรไม่เคยเฉดยาข่าย้าแต่ว่าอาจจะมีโรคขี้หนูก็ได้หนูเยอะเวลาตอนเจ้ามืดๆจะลุยป่ายืดลงกันไป <c oughs> เราพ่อก็ลุยเหมือนกันนะแต่นี่ไม่ลุยลอ่อนแอมาก <c oughs> เอาละวันนี้ก็พูด ตอนรับพวกเราพระใหม่พระนบกะสมควรใจเลวลา